คำนิยมในทวันดัชนีเกือบสามทศวรรษที่พนมเทียนเจรณายเพชรเม็ดงามนี้ให้เปล่งรุ้งฉวัดวิ่งแสงดุริยางแห่งภาษาเกสอนแห่งถ้อยคำกลั่นกรองตกผลึกมาเป็นภาพพจน์จิตวิญญาณของผมอิ่มเอิมไปด้วยจินตนาการในท้องทุ่งมโนทัศน์งานของพนมเทียนในเพชรพระอุมาเป็นงานจิตรกรรมนิรรูปที่แต่งแต้มริ้วกระบวน ดุดรุ้งประสานสายบนผืนใจของผู้เสพสุนทรียรสเป็นปฏิมากรรมจำหลักศิลาหล่อสำริดของอนุสาวรีย์ชัยของชีวิตที่ตรงงา k งามในห้วงความคิดคำหนึ่งในผลึกหาวเป็นสถาปัตยกรรมที่วางโครงสร้างจิตวิญญาณให้เป็นระบบเป็นระเ บ, บียบอยู่ในวิหารแห่งกริยามนอันแสนครังด้วยพลังศรัทธาเป็นมัณ น, นกรรมที่ระบาย ตายแต้มไปทุกพลิ้วคลื่นของโมงยามด้วยรายละเอียดของพลังนิรมิตให้โนพเนียงอยู่ทุกซอกโตกใจระเบงระงมด้วยระบัดระบำของมหากาบเป็นโบราณคดีกรรมที่กรองยองใยยวงหวานของรวงพนิย์ในภาษาพาเราด้านด้นไปสู่ง่วนดินด้วยฝันของการเวลา เป็นนาตกรรมดุริยศัพท์ของบทเพลงที่ไวยเปรเฮกล่อมราตรีการมาสู่ทิวาการที่กระจางแจ้งด้วยแรงฝันผมมีชีวิตเติบโตขึ้นภายในร่มเงาและบรรณาการวรรณกรรมของพนมเทียนโดยแท้ด้วยช่วงอายุไข ข, ของการเวลาด้วยกระแสพลังแห่งจินตนาการและด้วยยุคสมัยของความคิดคำหนึ่งที่งอมระ ง, งมด้วยความปิติปราโมท ในการบ่มพ่อสุนทรีในอู่แก้วการเวลากับพนมเทียนผู้เป็นแสงเทียนส่องประกายให้กับชีวิตที่บางครั้งหม่นพรามัวมืนซึมวรรณกรรมจากกระบวนความคิดของเขาสร้างฝันขึ้นมาจากผงคลีความหมองเศร้าใส่ปีแก้วจินตนาการให้ผมเพลิดเหินไปกับโค้งฟ้าอันไร้ขอบเขตเมื่องานเรียนการดารงชีวิต ความเหงาเปล่าเปลี่ยวหนักอึง้งและปรีแปรไปด้วยอัตราที่ถังโถมวรรณกรรมของพนมเทียนเริงรําบนพริ้วคลื่นแห่งกาลเวลาและนําดวงใจผมเข้าสู่หมอกผวังของการเวียนเกิดพายฝันทอรุง้งและเปลี่ยนพลังเพชรพระอุมาเป็นมหากาศแห่งวรรณกรรมของพนมเทียนของไทยและเป็นบรรณาการแก่แผ่นดินโลก ด้วยความมีพลังขลังกล้าสง่างามเพนพระอุมาจึงเปรียบประดุษอ น, นัคคมณีอมตะการที่ไม่ได้นับจำนวนวันวานที่ผ่านพันหากแต่เปล่งแสงเถือกทะเกิงกนใต้ตากรุ้งเรืองพ ย, ยมทุกครั้งคราวที่ได้เข้าสัมผัสในแพร่ลำนำวนณสินและพบกับอนันตาการในชีวิตตน พนมเทียนเป็นประดุษเปลวเทียนที่พบกับคบไฟฝันของจินตนาการที่หลับรอเราอยู่ที่โคนรุง้งบังเกิดแสงเพลิงแห่งพุทธิปัญญาให้ความอัศจรรย์แก่ชีวิตด้วยรักพลังศรัทธามนสเสนแห่งภาษาและปีแก้วแห่งจินตนาการไหว้ข้ามฝันและเหลือรอยปิติไว้บนเมฆงานทิพย์และมหากาบแห่งเพชรพระอุมาของพนมเทียนนี้ เป็นเพชรแห่งการเวลาเป็นเกสรวรรณกรรมเป็นของขวัญแผ่นดินเป็นอริยาทร์ขอมอบดอกยญากะจิริษ จ, จากสวนขวัญของช่างเขียนคาระวะ ร, รมด้วยจิตวิญญาณแก่พนมเทียนศิลปินแห่งชาติวรรณศิลป์ศิลปินของโลกผู้ร้สโลกลำนำชีวิตผู้สถิตอยู่ตลอดมาตลอดไปและตลอดกาลในวิหารแห่งดาว ทวันดัชชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์พศ .2544